การทำทั้งสองส่วนคือปริยัติและปฏิบัติควบผู้คนไปการศึกษาด้วยการพูดการฟังเรียว่าปริยัติแล้วก็การลงมือทำเรียว่าปฏิบัติผลที่เราสัมผัสได้หรือว่าปฏิเวทนั้นเองในการภาวนา ตามที่พุทธองค์ท่านตัดเอาไว้ก็คือการทำเฉพาะในส่วนที่จำเป็นก่อนหรือว่าใบไม้ในกา ม, มือในส่วนที่ไม่จำเป็นเราไปเรียนรู้ที่หลังก็ได้ที่อะไรคือใบไม้ในกา ม, มือก็ในส่วนที่จำเป็นเฉพาะหน้านี่ แล้วอะไรเป็นสิ่งจำเป็นเฉพาะหน้าซึ่งถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาชัดๆลงไปเนี่ยเราก็จะทำอะไระหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งบางทีเราก็เสียเวลาในสิ่งนั้นเหมือนคนบางคนเนี่ยจนตลอดชีวิตเพราะจะเอาอะไรหลายอย่างอันนั้นก็เอาอันนี้ก็เอาในที่สุด ไม่ได้อะไรสักอย่างเขาก็เลยยากจนบางคนฉลาดมุ่งเอาใส่สิ่งเดียวให้ได้ซะก่อนให้ดีที่สุดในสิ่งเดียวเพราะคนเราไม่ใช่ว่าจะมีความสามารถอะไรมากมาย <c oughs> มุ่งเอาสิ่งเดียวและสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทำให้ดีที่สุดเชอย่างนึ่งก่อนแล้วอย่างอื่นมันค่อยตามมาเอง แต่คน 80-90% ยังยากจนคนแค้นไม่ใช่ว่าเขาไรความสามารถแต่เขาใช้ความสามารถไม่ถูกคนเราความสามารถทางด้านสติปัญญาร่างกายไม่ค่อยต่างกันนักหรอกแต่ที่มันต่างกันมากก็คือการได้รับการฝึกฝนอบรมการปลูกฝังในทางที่ถูกต้องไปเรื่องสําคัญ ดัานั้นเองในการปฏิบัติธรรมเมื่อมืกันธรรมะของพุทธเจา้าเนี่ยแปดหมื่นสี่พันหันาคันดีทุกเรื่องดีทุกข้อไม่มีข้อไหนเสียเป็นสวากขาตธรรมพุทธเจา้าตรัสไว้ดีหมดแต่ถ้าเราจะถือกุญแจสักพวงหนึ่งมันแปดหมื่นสี่พันดอกแล้วไปเปิดประตูสักห้องหนึ่งเพียงต้องการเพียงลูกเดียวเนี่ยแล้วเราไม่รู้ม่าเป็นลูกไหนเนี่ยคิดว่าเราจะเสียเวลาขนาดไหน เพื่อจะหากุญแจดนั้นเจอแต่ถ้าหากว่าเราเจอท่านผู้รู้ว่ากุญแจลูกนี้เป็นลูกที่จะไขกุญแจห้องนี้ได้แล้วก็เลือกกุญแจดอกนั้นออกมาแล้วก็เก็บกุญแจแปดหมื่นสี่พันสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกเอาไว้แล้วก็ถือกุญแจนั้นเพียงลูกเดียว มันจะง่ายกว่าเยอะเลยคนที่ไม่รู้หรือไม่ไมศึกษาไม่พบครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ก็เหมือนกัน <c oughs> หรือไม่พบคนที่รู้จักลูกุญแจด้วนั้นก็เหมือนกันหากุญแจที่จะเปิดห้องนั้นไปตลอดชีวิตยังไม่เจอเลยมันตั้งแปดหมื่สี่พันดอกไม่รู้ลูกไหนมันหมดชีวิตเสก่อนเลยไม่เจอคนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเกิดมามันตายไปเสก่อนก่อนที่จะพบทางชีวิต ที่ถูกต้องที่มีความสุขเพราะไปเลือกหากุญแจเหล่านั้นในเบื้องต้นเนี่ยท่านจึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสองประการที่เราจะได้เปิดดวงตาทมดวงตาใจเราได้สองประการ <c oughs> ประการที่หนึ่งเรียกว่าปรตโขโะในภาษาบาลี ถ้าแปลก็คือแปลว่าฟังจากผู้อื่นปรโตโขสะฟังจากผู้อื่นแล้วผู้อื่นที่เราควรจะฟังมันเป็นใครเยอะแยะคู้นั้นก็น่าฟังผูนี้ก็น่าฟังแล้วเขาจะฟังใครฟังจากผู้อื่นเราควรจะเป็นใครท่านใช้คําว่าการยาณมิตรซึ่งเราจะสวดในวันต่อไปการยาณมิตรสุและการยาณมิตรนั่นเป็นประมะการยาณมิตรด้วยไม่ใช่การยานมิตรธรรมดาปรมาการยาณมิตร ปรมารณ์เป็นเพราบรมัมบรมมกกายนานมิตรบรลลมมีศุขใครเล่าเป็นบรมมกกายนานมิตรเนี่ยเราต้องฟังคนนั้นบรมมกกายนานมิตรคือผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องที่เราจะทําเนี่ยมาพูดให้ฟังท่านใช้ว่ากรารยนานมิตรในที่นี้เราหมายถึงผู้รู้รู้เรื่องราวของชีวิตทั้งหมด ที่จะทําให้ไม่ทุกข์น่ะเรียกว่าบรมกัลยาณมิตรว่าชีวิตที่ไม่ทุกข์ได้ทำอย่างไรท่านทําได้แล้วก็ท่านนําเอาประสบการณ์นั้นมาบอกเราเราเรียกบุคคลว่ากัลยาณมิตรและกัลยาณมิตรนี้จะสําเร็จประโยชน์ได้ต้องมีองค์ประกอบอีกสองประการสําหรับกัลยาณมิตรคือกัลยาณสหายคือผู้ที่เป็น เพื่อนร่วมทางในทางเดียวกันในวิธีการเดียวกันเรียวกว่ากริยาณสหายเช่นเรามาเนี่ยเราไม่ได้มาคนเดียวเรามีเพื่อนอีกหลายคนที่เป็นเพื่อนอยู่เรามีพระสงฆ์เป็นเพื่อนเรามีนักปฏิบัติเป็นเพื่อนนี้เรียวกว่ากริยาณสหาย ต้องไปในทางเดียวกันด้วยนะปฏิบัติแบบเดียวเดียวกันด้วยแต่ถ้าปฏิบัติคนละอย่างแล้วมานั่งปฏิบัติร่วมกันนะคนหนึ่งนั่งหลับตาคนหนึ่งนั่งยกมือคนหนึ่งนั่งพุโทโธคนหนึ่งนั่งสัม bara หังคนหนึ่งนั่งยุบหนอป้องหนอนนี่อันนี้เขาเรียกไม่ไม่ใช่กิริยาในะสหายแล้วเป็นคนละทางซึ่งจะขัดแย้งกันคนนั้นก็ว่า น, นี่ดีคนนี้ว่าในที่สุดก็เป็นมิตรที่ไม่สร้างให้เกิดความเข้าใจในทางเดียวกัน องค์ประกอบของกริยามิตรการที่หนึ่งกริกริยาในสหายองค์ประกอบอันที่สองคือกริยานะสำปวังโกหรือกันนะกริยาในสำปวังกตาคือมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้อตามภาษาสภาพแวดล้อมที่เอือ้อสภาพแวดล้อมในที่นี้ท่านหมายถึงหนึ่งอาวาสสปายะสถานที่เหมาะแก่การภาวนาสอง อาหารและสปายะอาหารบิณบาทพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหาไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่มีจนเกินสามภุคละสปายะบุคคลแวดล้อมเราเนี่ <c oughs> ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ก่อปัญหาให้แก่กัน ต่างคนต่างสงบต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างพูดในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความสงบพูดทาในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสันติ น, นี่เขาเรียกว่าปุคละสปายะและประการที่สี่เรียกว่าธรรมะสปายะคือวิธีการที่เราปฏิบัติเนี่ยมันนำไปสู่ความถูกต้องสู่ ความคล่องตัวสู่ความสะดวกอสู่การรู้นี่เขาเรียกว่าธรรมสปายะความสะดวกสี่ประการนี้เรียกว่ากริยานสัมปวังกตาจำเอาไว้นะเผือว่าเราไปที่ไหนแล้วจะมีข้อเลือกว่าเอ๊บุคคลที่เราไปฝึกด้วยขณะนี้ท่านเป็นกริยานิมิได้หรือเปล่า และบุคคลรอบข้างเราขณะนี้ท่านเป็นกิริยานิสายหรือเปล่าและสิ่งแวดล้อมที่เรากําลังอยู่ที่นี่มันเอื้อต่อการปฏิบัติของเราหรือเปล่าและสิ่งแวดล้อมที่เ อ, อื้อนี่ก็คือความสะดวกเรื่องที่อยู่อาศัยความสะดวกความสะดวกเรื่องที่อยู่ในอาศัยไม่ได้หมายถึงความสะดวกสบายมีน้ํามีไฟมีแอร์มีหุ่นทางมีของใช้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่ามีความสงัดวิเวกนะ ไม่สบายเกินไปไม่ลำบากเกินไปนะ่ะอาหารสปายะปุคละสปายะและธรรมสปายะนี่เป็นความหมายของว่าสัมปวังกตาองค์ประกอบอันที่หนึ่งในกลุ่มของกริยานมิตรนี่ อ, องค์ประกอบที่หนึ่งที่เราจะเห็นทำได้ที่เราจะเปิดใจตัวเองได้องค์ประกอบที่หนึ่งคือกัลยาณมิตรองค์ประกอบที่สองเรียกว่ายโยนิโสมนัสิการ ตามภาษาบาีโยนิโสมานสิการอันหมายถึงเรามีศรัทธาและปัญญาอย่างเต็มเปี่ยมที่จะทำตามอันนี้เป็นเรื่องของเราแล้วิกินี่เป็นเรื่องขององค์ประกอบภายนอกทีนี้องค์ประกอบภายในโยนิโสมานสิการคือมีศรัทธาและปัญญาอย่างเข้มแข็งในการที่จะทำตาม ในสิ่งที่เราได้รับถ้าหากว่าเรามีความพร้อมด้วยองค์ประกอบสองประการนี้เราจะได้ดวงตาเห็นธรรมแน่นอนอันนี้พระองค์ตรัสไว้นะคือหมายความเราเปิดใจตัวเองได้อย่างแน่นอนทุกวันนี้ใจเรายังปิดอยู่ไงบางอย่างก็รับได้บางอย่างก็รับไม่ได้อ่ามันปิดอยู่แต่ถ้าหากว่าเมื่อไรใจเราเปิดได้มันรับได้ทุกอย่างเหมือนกับฝนตกเนี่ย <c oughs> ถ้าหากว่า เราต้องการน้ําฝนน่ะถ้าเราแองเราอ่างเราถังไปตั้งกลางฝนเนี่ยฝาบางส่วนก็เปิดนิดเดียวบางส่วนก็เปิดมากหน่อยบางส่วนก็เปิดเต็มที่แต่ว่าแห่งอ่างอันไหนมันเปิดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยน้ำฝนเข้าร้อยเปอร์เซ็นเต็มไวน้ําเต็มไวฉันใดก็ดีจิตของเราเหมือนกันฮะ เราต้องเปิดให้เต็มที่ในการที่จะรับในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะในในส่วนสําคัญก็คือองค์ประกอบภายนอกกายยมาห้าสิเปอร์เซนตและองค์ประกอบในส่วนศรัทธาและปัญญาของเรานั้นอีกห้าสิเปอร์เซนดวงตาธรรมเปิดเมื่อดวงตาธรรมเปิดเราเห็นความจริงแล้วเนี่ยเราจะความทุกข์ของเราจะลดตั้งแต่วันนั้นเลยนะลดตั้งแต่วันนั้นเลยความทุกข์เราจะพกพา มากี่พบก่ชาติกลับอีกับกนบันพวุธของเราสร้างมาเท่าไหร่ก็ตามมันจะลดลงทันทีห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตลดลงไปเรื่อยๆจนถึงร้อยเปอร์เซ็นตแล้วในที่สุดล้าก็หมดเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเราจะไม่เกิดอีกต่อไปเราจะไม่เวียนว่ายอีกต่อไปมันจบความทุกข์จบเปรนทสิ่ในวงจรของความทุกข์จบนั่นหมายถึงองค์ประกอบสองประการนี้มีความสำคัญมากนะ ทีนี้องค์ประกอบอันที่สองนี่สาคัญนะสาคัญไม่แพ้องค์ประกอบอันที่หนึ่งองค์ประกอบอันที่สองที่ว่าคือศรัทธาและปัญญานะซึ่งได้กล่าวไปเมื่อวานนะเรามีศรัทธาแบบไหนเรามีศรัทธามากศรัทธาน้อยศรัทธากี่เปอร์เซนต์นะที่จะทำตามซึ่งเราก็ได้พิสูจน์กันเมื่อวานนี้ว่าบางคนก็นั่งศรัทธาที่จะนั่งได้ตลอด บางคนก็นั่งบ้างเดินบ้างบางคนก็ดิ้นขนานหนักมะกวัวจะหมดเวลานี่แหละ <c oughs> เป็นการพิสูจน์ศรัทธาของเราบางคนก็หาวิธียักยืงเปลี่ยนแปลงเอาจนได้จนครบเวลาเหมือนกันนี่คือต้องมีศรัทธาและตัวปัญญาก็คือการแก้ไขสถานการณ์นั้นๆว่าเนเมื่อเรานั่งไปนี่มันปวดจะทำยังไงให้มันนั่งต่อไปได้ มานั่งต่อไปมันง่วงทำยังไงให้มันตื่นขึ้นมาได้มานั่งต่อไปมันคิดทำยังไงให้มันหายคิดได้มานั่งต่อไปมันเบื่อทำยังไงให้หายเบื่อได้มานั่งต่อไปมันไม่สนุกทำยังไงให้มันสนุกได้อันนี้ล้วนต้องใช้ปัญญาอย่างสูงทีเดียวมันถึงจะผ่านวิกฤตเหล่านี้ได้ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเนี่ยเราก็ลุกหนีแล้วก็เบือ่อแล้วก็อยากไปนอนแล้วอันนี้ไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรเลยจะใช้แต่กิเลสนะ อันนี้คือองค์ประกอบที่สำคัญศรัทธาแน่นอนเราตั้งใจมาแล้วจะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม <c oughs> แต่ในเมื่อมาแล้วเนี่ยมันก็เรยต้องทำละอันเราเรียกว่าเราตกกระเทินได้เป็นเสือแล้วลายบลายเขาก็ดื่มเขาก็ตกแต่แต้มดื่มลายมันเพราะฉะนั้นตัว ศรัทธาและตัวปัญญาเป็นอุประกอบในใจของเราที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้และตัวปัญญานี้ือไม่ใช่ไปมีจะไปรู้เรื่องอะไรมากมายเรื่องตำราเรื่องจดจาไม่ใช่ปัญญาแบบนั้นปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขณะนั้นนั้นเนี่ยให้ผ่านไปได้นั่นแหละเรียกว่าปัญญา เรีว่าโลกุตละปัญญานะีแต่ถ้าโลโล ก, กิยะปัญญาก็คืออาจจะต้องคุณจะต้องรู้เรื่องนั้นเรื่องนือมากมายรู้ตำราแล้วอันนั้นไม่จําเป็นอันนั้นเป็นใบไม้ในป่าไม่ใช่ใบไม้ในกำมือแต่ใบไม้ในกำมือขณะนี้ก็คือเราสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคของการภาวนาไปได้อย่างสะดวกสบายนี่คือปัญญาที่เราจะต้องมีและปัญหาและอุปสรรคนี้เราเรียกว่านิวร ซึ่งวันนี้เราจะเจอมันในวันที่สองมันจะหนักหรือมันจะเบาก็อยู่ที่ปัญญาของเราแหละนี่ศรัทธาและปัญญาของเรานิวรวนเราคงคงบางคนคงจะคุ้นชื่อบางคนอาจจะไม่คุ้นคำว่านิวรนนี่ใครรู้บ้างมัน แ, แปลว่าอะไรไม่ใช่อะไรอาวรนะนิวรนมันคำว่าวนวอนมันหลายอย่างสังวรนิวรนบอวรชินวร อแต่อันนี้มันนิวรนนิวรนแปลว่าสิ่งขวางกัน้นหรือว่าอุปสรรคแล้วแปลว่านิวรนคือหมายความว่าถ้าเราไปในหาในสิ่งอะไรดีๆจะทําอะไรดีๆมันมีสิ่งที่มาขัดขวางทุกครั้งนะเราจะทํางานนี่ยจะได้งานดีๆเอา มีเรื่องนี้มาขัดแล้วเอาจะได้เพื่อนดีๆเอามีสิ่งนี้มาขัดแล้วเอาจะได้รายได้ดีๆเอามีสิ่งนี้มาขัด followed. เอาจะไปสิ่งน้นอ่ะไปไม่ได้ด้วยสิ่งนั้นมาขัดเราเรียกสิ่งนี้ว่านิวรนคือสิ่งที่มันมาเบรกมากัน้นตามพุทธศาสนาเรืยกว่ามารเรียกว่ามานหรือแต่ว่าสิ่งที่เราเจออยู่ต้นๆ น, นี้เขาเรียกว่าเสนามานคือรับคนรับใช้มานอารมณ์ที่จะเป็นอารมณ์ขวางกั้นที่รับใช้มานในเรื่องเสนามาร มีอยู่ห้าอย่างฟังให้ดีนะวันนี้ว่าเจออะไรบ้างอันที่หนึ่งเรียกกามาฉันทะคือความอยากไล้ความเบื่อเจออะไรใช่ไหมมันเจอหนักเลยใช่ั้ยมันอยากจะไปมันอยากจะหนีมันอยากจะนอนมันอยากจะลุกมันไม่ได้ตามอยากมันก็เลยเบื่อไอ้ความเบื่อและความอยากนี้รวมแล้วเรียกว่าความขี้เกียจนะเบื่อเบื่อ อ, อยากยากนี่คือ นี่วรนตัวที่หนึ่งหรืออุปสรรคตัวที่หนึ่งเจอบ้างไหมเมื่อวานเจอเยอะเลยนะฮะโอ้ทำไปก็เบื่อแล้วไม่รู้จะหนีไปไหนอาจารย์ก็ล็อกยอยู่กับที่เลยเนะี่ยเจะลูกก็เกรงใจอาจารย์จะหนีก็ไม่ได้โอ้สู้หนักแล้วในไหนก็สู้แล้วเนี่ยในไหนก็มาแล้วนี่อันนี้คือมานตัวที่หนึ่งเจอบ้างไหมเมื่อวานบางคนก็เจอเยอะมากเลยนะะ เราไม่ดูจะหมดเวลาดูในกาแล้วดูใ น, ในกาอีกไม่หมดทั้งทีนะฮะนะอันนี้ก็นิวรณ์ตัวที่หนึ่งเจอนิวรณ์ตัวที่สองรการรมฉันทะเอ้ไม่ใช่พยาปาทะอันที่แกรกกรรมฉันทะพยาปาทะความหงิดงุนงานเจอว่างไหมเมื่อวานเจอเยอะไม่แพอ้อันที่แรกเหมือนกันใช่ไหม งุหงิดพูดงานเมื่อไม่ได้อย่างใจโอ้จะลุกก็งุนงิดลําคาญจะนันน่งก็งุดหงิดลาคาญไม่สนุกไม่อมันรู้จะทํายังไงคนไหนเจอเยอะก็หมายความว่ามานตัวนั้นแรงหน่อยแต่คนไหนมีมานตัวนี้แรงก็อุปสรรคก็ใหญ่ทั้งต่อสู้อ่ามานตัวที่สามเรียกว่าถีนามิท h a ความง่วงเห ง, งาเฮานอน นั่งไปก็งึบนั่งไปง่วงโดยเฉพาะตื่นเช้าด้วยบางทีจะแอบไปงีบสักนิดพอมีแรงก็ไปไม่ได้นะฮโดยเฉพาะคนติดกาแฟติดเหล้าติดบุหรี่พอง่วงไม่สบายก็แอบไปสูบไปเสพไปริ่งสักนิดหนึ่งมันก็จะมีแรงขึ้นมานี่ก็ไปไม่ได้อีกกาแฟก็ไม่มีบุหรี่ก็ถูกปรับมูลละร้อยเหล้ายิงจิบไม่ได้เลยง่วงมาเลยทีนี้โดยเฉพาะคนติดบุหรี่กาแฟ เจอเหมือนกันนะบางคนเจอหนักวันนั่งแล้วง่วงแล้วง่วงอีกคอพับคอเอียงก็อาจารย์ก็บอกวิธีแก้นะอันนี้มานตัวที่มานตัวที่สามวันนี้ต้องเจออีกนะมานตัวที่สี่เรียกว่าอุทจักกุกจักความฟุ้งซ่านวุ่นวายนนะฮะนนั้เรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องบานเรื่องนี่เรื่องสินเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องรดเรื่อง บินเริงงวดอะไรต่างมาเยอะแยะไปหมดมีไม่มือวานมีนะมีเยอะด้วยนะนี่คือเรียกว่าฟุงา้งซ่านหมายความเลื่อนลอยมือนะทําไปทํามามันไม่ชัดอะ่ะมันมือจะเอายังไงอนาคตจะเอายังไงรายได้เท่านี้เราจะไปรอดหรือเปล่าผ่อนบ้านจะไปรอดไหมผ่อนรถจะไปรอดไหม น, นี่ตรงนั้นก็ยังไม่ใช้สินตรงนั้นก็ยังไม่มีทำยังไงเนี่ยคิดไปคิดมา มีไหมความคิดอย่างนี้มีเยอะเหมือนกันนะมารตัวที่สี่มารตัวที่ห้าสำคัญมากนะอะไรๆที่สําคัญเนี่ยเขาจะเรียงไว้สุดท้ายเสมอเรียกว่าวิชิกิฉาสงสัยลังเลอ่ะลังเลมากเออเรามานั่งสร้างจังหวะนึงจะได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยยกมือสงบก็ไม่สงบรู้อะไรก็ไม่รู้ นะก็เหนื่อยต่างหากเมื่อยต่างหากเบื่อตัางหากนี่เราจะทําไปทําใหม่มีไหมความรู้สึกนี้มีไห ม, อ ม, ม, ไ, หมไอ้ตัวนี้ท้อทันทีเลยถ้าเกิดตัวนี้นะท้อทันทีเลยมารตัวสําคัญเทราฉนั้นถ้าหากว่าเราสามารถทะลุทะลวงไอ้มารห้าตัวนี้ได้นะ่ะโอ้โหการภาวนาจะไปได้ไหวมากลองเรียนดูที่ว่าไอ้ตัวมารห้าตัวในตัวไหนแรงที่สุดสําหรับเราแต่ละคนอาจจะแรงไม่เท่ากันนะ สำหรับคนนี้อาจจะความฟุ้งซ่านอาจจะแรงสำหรับคนนั้นความง่วงอาจจะแร ง, งสำหรับคนนน้นความงุดหงิดอาจจะแรงสำหรับคนนน้นความเบื่ออาจจะแรงถ้าแรงทั้งห้าตัวมาอยู่ไม่ได้แล้วนะสำหรับคนนน้นอาจจะความสงสัยลังเลอาจจะแรงนะสักตัวสองตัวเนี่พอสู้ไหวมาทีเดียวห้าตัวนี้เราไปไม่ไหวนะจอดแน่เลยนะดังนั้นเราจะสู้อย่างไรอ่ะอ่า มารแต่ละตัวเนี่ยจะสู้อย่างไรสมัยที่ที่พรุทธเจ้าแต่สรู้ใหม่ๆรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้ า, อ, าอะไรม า, ามาแย่งชิงบัลลังก์พระุทธเจ้านึกออกไหมพวกเราเนือ้อออกไหมพระพุทธเจ้าแต่สรู้ใหม่ๆอะไรยกมาแย่งชิงบัลลังก์พระุทธเจ้าแสดงว่าพวกเราไม่ได้เรียนพูทธประวัติมาเลยเนาะนึกไม่ออก กองทัพอะไรนะกองทัพอะไรที่ยกมาแย่งชิงบพลังการบรรลุธรรมหูทิจ้าคือยกกองทัพมาฆ่ากันเลยว่างนะั้นถ้าว่าภาษานักเลงเนี่ยนะอ่าทําไมมาฆ่าล่ะเพราะพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วหมายความจะเป็นจะบุคคลที่จะประกาศต้นตอแห่งความดีงามในโลกให้ทุกคนซึ่งมันไปทําลายโอกาสของมารมานี่ต้องการที่ทําลายโอกาสอันดีงามของคน แต่ใ น, นมือพุทธย่เกิดขึ้นองค์หนึ่งนั้นจะเป็นคนสร้างโอกาสแห่งความดีงามและความสําเร็จให้แก่คนแต่มันต้องทำทุ่งกันข้ามเพราะฉะนั้นมันไม่ยอมในชีวิตเราก็ยังมีสองเรื่องในใจของเราใช่มวันวันหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องดีกับเรื่องชั่วที่พูดในวันก่อนเราจะทําดีอะ่ะแต่ไอ้ไอความรู้สึกที่มันไม่ดีมาขัดงานนี้ฉันจ ะ, ะบริจาคสักหมื่นหนึ่งไง ความคิดที่แบบโอ้โหมึงนี่เยอะเกินไปนะเราไปทำอะไรทั้งเยอะถ้าบริจาคแล้วมันหมดไปเลยนะไอ้ความคิดสองอย่างเนี่ยสู้กันละมีเรื่องประกอบนิดหนึ่งนะออกนอกเรื่องนิดหนึ่งก่อนที่จะไปสู่เรื่องนี้มีพราหมณ์คนหนึ่งอ่าสองคนพัวเมียไม่ใช่คนสองคนพ่อเมียยากจนมากหมายควาว่ามีผ้านุ่งคนละผืนแต่ผ้าเสื้อนี่มีตัวเดียวถ้าคนใดคนหนึ่งจะออกจากบ้านเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ต้องอยู่บ้านเพราะมันมีเสื้อตัวเดียว นะเนีย่ยสมัยพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สมัยนี้เสร็จแล้วก็เห็นตอนเย็นๆเราก็เห็นคนเดินทางไปทางที่จะไปพระเชตวันผ่านบ้านแกพอดีก็เห็นคนถือดอกไม้ทูบเทียนกันไปทุกวันทุกวันเอ้ยเขาไปทําไมกันก็เลยถามไว่าเห็นไปกันอย่างนี้ทุกวันไปไปที่ไหนไปทําไมกันเนี่ยอ๋อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมเหมือนกนเอ้ามีพระพุทธเจ้าเด้อเอามีจังนานเหรอแกไม่รู้เรื่องเหาอไม่รู้เหมงนกันอันนั้น พอไปคนก็ไอเมียก็ไปไม่ได้ผัวก็อยากไปอั น, นั้นแกอยู่บ้านกันแล้วกันผัดกันไปฉันไปก่อนถ้าไปพร้อมกันไม่ได้เพราะมันมีไม่มีเสื้อนจนมากก็ผัวก็ไปก่อนเขาไปวันนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอนุปปพิปัฏานพอดีคือเรื่องของการทําความดีตามลําดับอ่ะจะทายังไงพูดถึงเรื่องทานก่อนบอกว่าคนเรานี่นะที่เกิดมายากจนเนี่ย ยากจนค้นแค้นไม่มีอะไระเพราะนากยังไม่ต้องไปนะให้ท่านก ร, รมไปนาถ ไ, ไปเพราะเตรียมบวาชโดยเฉพาะชลิยาสองสวรรค์ก่อนบวชนีไม่ต้องไปไหนนะไม่ต้องออกจากวัดเลยเดี๋ยวมารจะมาตัดร้อนท่านกำรรพ า, พ, านะพราะไปพิัารณาเขาคนจะมาบวชเหมือนกันปรากฏ ว, ว่าโดนลุบัติเหตุไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าหลงพ่อบอกว่าก่อนที่จะบวชเจ็ดวันสิบห้าวันต้องอยู่ วัดไม่ออกไปไหนเพราะน้ำมันมันไม่ยอมให้เราทําสิ่งที่ดีกว่านะั้นมันจะมาขวางที่โดนอุปัติเหตุเขาจะญาติเขาจะพามาวันวันนี้หรืลพงผู้นี้เยอะ ด, ดูคุณก็ออกโรงพยาบาลจะมาไหวไหมดังนั้นต้องระวังเนี่ยไม่ต้องออกจากวัดแต่น่าจะเห็นว่าเมื่อไปที่ตัดสินใจจะไปหรือไม่อ่ะไปไปก็ไปเพราะไอเราบรรจนุมานานแล้วนี่ก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ตัดอันนี้สงเรื่องการให้ทานว่ามันว่าคนที่เกิดมาจนเนี่ยอันนี้จะสรุปนิดนึ่งนะเพราะยังไม่ใช่ประเด็นแต่แทรกเข้ามาเพราะว่าไม่ได้ให้ทานในชาติที่แล้วท่านก็ราวนาเรื่องการให้ทานต่างๆพรามคนนี้ก็เกิดศรัทธาอยากจะให้ทานว่าตัวเองที่จนมาเนี่ยแม้กระทั่งเสื้อก็ไม่มีจะใส่เนี่ยก็เพราะไม่ให้ทานในชาติที่แล้วก็จะให้ยังไงเพราะเมียถ้าให้ตัวนี้แล้ว ไอ้เมียยาวที่ไหนใส่อ่ะอนน่กกาก็นึกไปนึกมานึกไปเทศตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนไปถึงห้าทุ่มพอไปถึงห้าทุ่มนี่นะจิตที่มันสู้ข้างในอ่ะระหว่างจ่าค้าจิตกับมัชชิเลียจิตมัฉริเลยคือจิตที่ตนีกับจิตที่จะให้มันสู้ข้างในเป็นสงครามใหญ่ทีเดียวนะในขณะนั้นพระเจ้าเฟเซนทิโกสนุนเพิ่งไปปราบ อาโจรชุนบทที่ชายแดนก็กลับมานั่งท้ายแถวฟังธรรมกับเขาเหมือนกันพอสักห้าทุมได้ยินเสียงแล้วเบิดขึ้นกลางที่ประชุมระเบิดว่าชี้ตังเมชี้ตังเมชี้ตังเมไม่ใช่ระเบิดตูมนะแล้เบิดของพราหมณ์คนนั้นนะมันระเบิดออกมาจากใจเสียงดังลั่นป่าเลยเหมือนกับคนบ้าชี้ตังเมชี้ตังเมแปลว่าอะไรชี้ตังเมกลายเป็นคถานะปัจจุบันเนี่ยชี้ตังเมแปลว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว เราชนะแล้วก็ถอดเสื้อโดนนั้นเลยนะเอาไปถวายผู้ดิเจ้าพร้อมกับประกาศว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วทีนี้พระเจ้าเป็นเจตีโกลสนชึ่งนั่งท้ายบริษัทเนี่ยไอเราเพิ่งไปปราบโจนมาเมื่อกี้เราปราบโจนชนะมันไอ้ใครมาชนะแถวนี้ก็เลยแนะให้ทหารเนี่ยไปดูใครบอกว่าประกาศชนะแล้วมันชนะใครกันแน่หรือว่าไอไอศัอตรูมันแอบมาดักเราแถวนี้ ต่อไปก็ไปถ่ายถามว่าแกชนะใครมาบอกเขาชันชนะใจของฉันเอาชนะใจอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่จิตของฉันเนี่ยอยากจะให้แต่ว่ามันสู้อีกจิตมันไม่ให้ว่า ง, งั้นแต่ฉันชนะแล้วตอนนี้ฉันให้ได้ก็เลยเอาผ้าผืนนั้นน่ะไม่ใช่พ้พาพรมเนี่ยเขาเสื้ อ, องเขาไม่ได้เหมือนเสื้อของเรานะมันเป็นอะไรเป็นสบายอ่ะเคยเห็นผ้าห่มของแขกไหม เขาเขาทำเป็นเป็นผ้าห่มหรื อ, อผืผนใหญ่ๆอ่นนนนะนะะคล้ายๆแบบเปนผ้าอาัศบายนะเราแต่เป็ผ้าผืนใหญ่นั่นแหละเขาก็เอาผืานนั้นไปถวาย้พระราชาถึงทราบจากทหารว่าพราหมณ์ชนะตัวเองเพราะงั้นโอ้มันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยคนชนะตัวเองมันยากชนะยากที่สุดนะชนะใจตัวเองระหว่างจิตที่จะให้กับจิตที่จะไม่ให้เนี่ยมันสู้กันมาตั้งแต่ทุ่มถึงห้าทุ่มาขนาดไหน จนในสิดจิตที่มันจะให้เนี่ยมันได้มันชนะในที่สุดพระเจ้าเสดธิปฏิทิรรกรุษและเลื่อมใสในพราหมณ์คนนี้เรามาซักถามประวัติว่าเป็นยังไงไปยังไงเนี่ยก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดแกเลื่อมใสเลือกใช้ให้ทหารกลับไปวังไปเอาผ้ามาสามจิตสองชุดมาให้พราหมณ์คนนี้พราหมณ์คนนี้ยังมีศรัทธายังไม่หมดยังอยากจะให้อีกยกผ้าสามจิตสองชุดถวายพระเจ้าอีก ให้พรจัาเป็นสทธิ์กุศลก็ใช้ทหารไปอีกเอามาอีกเอามาที่นี่แกเก็บไว้แกชุดหนึ่งแล้วก็ให้ภรรยาชุดหนึ่งแล้วนอกเหลือจากนั้นถวายพระพุทธเจ้าต่ออีกหมดเลยเห็นไหมอันนี้คือยกตัวยอย่างว่าจิตของเราเนะี่ยมันสู้กันแต่ทุกวันทุกคนก็สู้อย่างเนี้อ่าสู้กันอย่างเนี้ยว่าจะให้หรือไม่ให้นะจะเอาหรือไม่เอาจะกินหรือไม่กินจะทําหรือไม่ทํา จะแต่งหรือไม่แต่งจะกู้หรือไม่กู้สู้กันอยู่เนี้ยใช่ไหมแต่ล ะ, ละวันจะมาหรือไม่มาจะเรียนหรือไม่เรียนจิตสองดวงนี่สู้กันเสมอเคยสังเกตบ้างไหมแล้วมันยากไหม ย, ยากมากแต่สินใจเราใช่ไหมแต่ัดสินใจไม่ได้ตกลงใจไม่ได้เพราะอีกใจหนึ่งมันอยากจะเอาอ่ะอีกใจหนึ่งมันไม่เอาอมาที่นี่ก็หลายคนก็สู้กันนะจะมาหรือไม่มาดีนี่ S <S <S เห็นไมระหว่างจิตที่ดีกับจิตที่ไมีอย่างนี้เสมอเราเรียกว่ามานจิตตัวนี้เรียกว่ามานที่ขัดขวางของเรามาปฏิบัติที่นี่จะเอาจริงหรือไม่จริงเนี่ยสู้กันอีกแล้วใช่ไหมถ้าเอาไม่จริงก็ทำาบางวันเล่นบางพอหมดเวลาสามสี่วันได้กลับบ้านแต่จิตอีกหนึ่งว่ า, ามาแล้วไหนๆก็สู้นะอ่าไหนก็สู้นะเผืนะ่อว่ามันได้ดีก็ตั้งใจใส่เนี่ยจิตตัวไหนจะชนะมันก็อยู่ตรงนี้ มาแล้วมันหิวบุหรี่อ่ะต้องแถวนี้ป่าเยอะเนาะแอบไปตรงไหนก็ได้ของพ่อไม่ไม่เห็นแบบอีกจิตงงไม่ได้นะท่านห้ามนะสู้กันแล้วจิตแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีทุกสถานการณ์เลยแม้แต่ผู้ชายจะตัดสินใจไปอยู่กับผู้หญิงก็สู้กันได้จะไปหรือไม่ไปดีผู้หญิงจะตัดสินใจเลือกผู้ชายก็สู้กันอีกใน ใ, นใจของเราเนี่ะ มแม้แต่ว่างานสองงานมาให้เราเลือกว่าจะเอางานไหนสู้กันอีกตลอดเวลาคือการสู้รบของจิตในใจของเราระหว่างจิตสองดวงเนี่ยเราเคยสังเกตม้างไหมไอ้ตรงนี้แหละคือความทุกข์มันมีสองเขาเรียกว่าสองอะไรสองใจสองจิตสองใจแต่ในพุทธศาสนาท่านมาปฏิบัติท่านให้เหลือใจเดียวการที่เหลือให้ใจเดียวเนราเรียกว่าอะไรเรียกว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอันเดียว ถึงบอกไปเมื่อกี้ว่าคนเรามันจนเพราะมันมีสงใจอ่าหลายคนเนี่ยมาได้ฟังว่าถ้าท่านตัดสินใจแต่งงานทั้งที่ฉันต่งแรกนี่ว่าท่านนี่ฉันสบายแล้วทําไมจะมาแต่งงานตัวนี้ฉันจนมาตลอดเลยเนี่ยอะไรเป็นเบื้องหลังการตัดสินใจไอ้คนนั้นเขาดีดีนะทําไมทขาไม่แต่งแล้วว่าเขาเอาใจฉันทุกอย่างไงตัดสินใจผิดนิดเดียวเนี่ไปตลอดชีวิตเลยเรื่องบางเรื่องเนี่ย แต่ชินใจนิดเดียมันทุกไปตลอดชีวิตเนี่ยบางเรื่องเพราะฉะนั้นเบื้องหลังในการตัดสินใจถูกต้องจะทําอะไรฝึกจิตให้มันเหลือจิตเดียวเลือกอะไรเอานั้นแต่ทุกวันมันหลายใจอ่ะใช่ไหมเราภาษาที่เราด่ากันที่ว่าหลายใจผู้หญิงหลายใจผู้ชายหลายเมียเขาว่ากันไปนั่นคือสาเหตุของความทุกข์เพราะเรามีจิตเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าในแต่ละวัน นะมันเขาเรียกว่าอันนี้หลวงพ่อกำลัอธิบายถึงเรื่อว่าความสงสัยลังเลสงสัยเพราะเรามีหลายใจถ้าคนมีใจเดียวมันจะไม่สงสัยเลยตัดสินใจพวอย่างนี้ก็อย่างนี้แต่ก่อนที่ตัดสินใจมันมีอะไรมีข้อมูลมีเหตุมีผลมีพิจารณามาเพราะมีปัญญาแต่คนที่ไม่ค่อยมีปัญญาเหตุผลไม่พอข้อมูลไม่พอตัดสินใจไปมันผิดพลาดตรงนี้เราจึงต้องมีตัว ปัญญาเข้ามาด้วยปัญญาปัจจุบันนี้ก็คือข้อมูลประกอบการพิจรารณานะเอาละวกเข้ามาว่าการที่เราจะชนะมารได้เนี่ยที่หลวงพ่อพูดถึงมาในใจยกเรื่องพามันเข้ามาแทรกอย่าไปลงประเด็นนะเรื่องพามันเข้ามาแทรกว่าจิตใจของเราสู้สู้กันตลอดเวลาตลอดชีวิตมันจะสู้อย่างนี้ตบดที่เราไม่ทาให้ใจมันเหลือดวงเดียว ทำให้ใจมันเหลือใจเดียวยังพ่อก็สู้มันตลอดชีวิตหลวงพ่อก็เหลือใจเดียวแล้วตอนนี้ะไม่มีใจอื่นแล้วไ ม, ม่มีใจแบ่งให้ใครแล้วทีนี้มีใจเป็นของตัวเองหมดใจที่จะแบ่งให้คนอื่นแล้วนะะทีนี้พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้เหลือใจเดียวแล้วเนี่ยมารยกกองทัพมาแย่งทันทีมารก็คือหลายใจนั่นแหละยกมาทำ ยงมาแย่งแต่พุทธเจ้าเหลือใจเดียวแล้วตรงนี้แต่ความคิดเกิดขึ้นในพุทธเจ้าหลายใจมันก็ยังมารบกวนอยู่เขาสมมติตรงนั้นเลียกกองทัพพญามารไอ้ความหลายใจเนี่ยคือกองทัพพญามารเสร็จแล้วพญามารก็ขู่พุทธิเจ้าดิ ว, <c oughs> ว่าท่านประกาศตัวเองว่าเป็นผู้แต่สรุปท่านท่านพูดเราเองนี่ใครเป็นพยาน ไม่มีท่านอยู่คนเดียวท่านประกาศตัวเองว่าเป็นพุทธะเนี่ยสัมมาสมุขะเนี่ยใครเป็นพยานพุทองค์ก็ชี้นิ้วลงที่ไหนที่แผ่นดินชี้ลงตรงหน้าเลยเนะี่ยแผ่นดินแผ่นดินนี้เป็นพยานพอชี้ลงไปเนะอะไรผุดขึ้นมาแม่อะไรแม่ธรณีผุดขึ้นมาแล้วผุดขึ้นมาแล้วทําไงด้วยหรือผุดขึ้นมาเฉยๆบีบมวยผมในขณะบีบมวยผมนี่อะไรเกิดขึ้น น้ำหลั่งไหลออกมาเป็นน้ำเจ้าพยาเลยบึมบึมบึมบึมออกมาจากมือผมไม่เท่านี้ท่วมทับมานั้นตายหมดฝรั่งเคยถามมัตตมาว่าเรื่องนี้จริงไหมเพราะฝรั่งเขาศึกษาเยอะในพุทธศาสนา is real or unreal เหตุการณ์นั้นเนี่ย The situation is real or unreal or your your your teacher is is not real หมายก็เหตุการณ์นี้จริงหรือไม่จริงหรือว่าเป็นแต่นิทานอ่าเอเราจะตอบเขาอย่างไรถ้าตอบว่ามันจริงเขาก็จะหาว่าเรางมงายเป็นเรื่องนิทานถ้าตอบว่าไม่จริงเขาก็จะว่าเป็นเรื่อ ง, งมงายเหมือนกันจะตอบว่าไงก็เราก็บอกว่าในพุทธศาสนาเนะี่ยมันมีสองลักษณะอันนี้แทรกเข้ามาแล้วนะลักษณะอหนึ่งคือสมมุติลักษณะหนึ่งเรียกประมัด สมมุติเปรีเสมือนเปลือกผลไม้ประมัดเปรีเสมือนเนื้อผลไม้ชีวิตก็เหมือนกันมีทั้งสมมติและมีทั้งประมัดสมมติของชีวิตก็คือคนเนี้ยเรียกว่าคนนั้นคนเรียกผู้หญิงผู้ชายเรื่องไงนั้นในนี้เรียกว่าสมมติของเราตัวแต่ประมัดของมันคืออะไรตัวเรานี่ประกอบด้วยอะไรท่าสี่ขันห้าประกอบด้วยอายจัตนาสิบสองท่าสิบแปดประกอบด้วยจิต นี่คือข้อเท็จจริงของมันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาผสมกันเป็นตัวเราใช่ไหมขันห้ามลูปเวทนาสัญญาสังขารมาประกอบเป็นใจของเราธาตุสี่ขันห้าหรือรูปกับนามข้อเท็จจริงก็คือรูปกับนามกายกับใจเท่านั้นแต่ทํำไ้มาสมมติเป็นนายนั้นเป็นพระเป็นเนนเป็นเทนเป็นชีเป็นอหมอเป็นครูเป็นพยาบาลนี่สมมติเปลือกของเราทั้งหมดคนเราจึงไปหลงเปลือกเป็นเนื้อมันถึงทุกงัยมันไม่ใช่ของจริงเนี่ยที่เรามาสมมุติกันนะนายนั้นนางนี้สมมุติกัน เหมือนกันระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าถสรู้เมีสองอย่างคือสมมุติกับประมาทในเรื่องนี้ถ้าสมมติบอกว่าถ้าถ้าเรื่องในคัมภีร์จะบอกว่าพระพุทธเจ้าชนะมารเพราะพระองค์ชนะใจของตัวเองเนี่ยคุณเชื่อไหมเชื่อแต่ ว, ว่าตั้งสองพัน่าปีใครจำไม่ได้หรอก ไอชนะใจของนึ่งจำได้แต่คําว่าชนะใจของตัวเองเขามาสร้างเปลือกมันขึ้นมาเขาเรียกว่าชาดกมาแต่งเรื่องขึ้นมาว่าชนะใจของตัวเองก่อนที่พระ อ, องค์ตจสรู้แล้วหวนคิดถึงพิมพาลาหุนหนุหนคิดถึงพ่อแม่หวนที่ถึงบ้านถึงเมืองโหนคิดถึงประชาชนที่พระ อ, องค์จากมาหกปีเนี่ยเออเราจสรู้แล้วเราจะกลับไปโปรดอย่า ง, าางนี้คิดลักษณะความคิดอย่างเนี้เขาเรียกว่าพยามามันเข้ามา อ่าพยมันเข้ามาพอพราะว่าองค์รู้สึกตัวปับ๊บอันนี้มันความคิดนี่ไม่ใช่ความจริงม่นมันสะดุ้งเลยคือพอรู้เท่าทันความคิดน่การอดทนดูความคิดนั้นที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ไปไปกดมันโดยที่ไม่ไปบังคับมันให้มันเกิดทนดูมันทนดูไอ้ความคิดไอ้การทนดูความคิดนี่เราเรียกว่าความอดทน ความอดทนนี่ท่านเปลี่ยนเสมอนอะไรแผ่นดินเพราะแผ่นดินจะมารับได้ทุกอย่างใช่ไหมรับดินรับน้ำรับรับลมรับขยะรับทุกอย่างคนที่มีความอดทนรับได้ทุกอย่างจะง่วงฉันก็รับได้สู้ได้จะเบื่อฉันก็รับได้สู้ได้จะหงุดงิดฉันก็รับได้จะฟุ้งซ่านฉันก็รับได้จะลังเลสงสัยฉันก็รับได้นี่เขาเรียกว่าแม่ธรณีจิตใจเราหนักแน่นไม่หวั่นไหว ขณะนัน่งทําอยู่เนี้มันจะง่วงกว็เอาสู้มันแต่การที่จะสู้ได้ต้องมีอะไรแม่ทะเลนี้ผุดขึ้นมาโดยที่ไม่มีไม่ไม่บีมวยผมเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ไหมทุ่มทํางานได้ไหมไม่ได้ต้องมีการบีบมวยผมบีบมวยผมคือใช้หัวใช้สติปัญญาง่วงเนี่ยสู้มันตรงๆไม่ได้ใช้ปัญญา นั่งอยู่มันก็บีบเราก็รู้ขึ้นมาดิใช้ปัญญาดิรู้ขึ้นมาเดินสู้เดินแล้วมันปวดขาก็ใช้ปัญญาอีกไอการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหานี้ก็คือบีบน้ําน้ําออกหงวยผมอันนี้เขาเรียกว่าปรมัตดคือสมมุติก็คือสมมุติให้เป็นแม่ธรณีสมมุติไอความอดทนเนี่ยเป็นแม่ธรณีสมมติปัญญาได้เป็นน้ําออกผมสมมติความคิดหลายๆเนีย่ยคือกองทัพพญามารอันนี้เรียกว่าสมมติในส่วนปรมัดก็คืออันนี้แหละคือแก้ออกมา พอที่ใบให้ฝรังฟังหูเยี่ยมเลยศาสนาของคุณนะว่าศาสนาของเราประกอบด้วยเป็น supposition truth คือความจริงอสมมุติและ ultimate truth ความจริงแบบปรมัติแล้วความจริงปรมัตัยอันนี้คือตัวแม่ธรณีฉันหมายถึงขันติความบนิสุทธนะหรือ endurance ธรณีหรือว่าความอดทน แล้วตัวไอ้ปัญญาที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้นเขาเรียกตัววิสธรรมก็ได้อินไซต์วิสธรรมคดอตัปัญญาด้วยตัวยานปัญญากันเขาหมายถึงอันนี้ไม่ได้หมายถึงอันนั้นอันนั้นคือเปลือกมันเปลือกของศาสนาแต่เนื้อมันคือตัวนี้เขาเข้าใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาของตัวเองถ้ามีคนต่างศาสนามาถามเราอธิบายเขาไม่ได้เขาว่าเรางงง่ายอ่ะอ่า โอ้โหเพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อเข้าถึงาศาสนาของตัวเองเมื่อเข้าถึงาศาสนาตัวเองแล้วเราจึงรู้เราสามารถอธิบายเขาได้เหมือนกันในขณะที่เราต่อสู้นิวรน์เนี่ยนะที่พ่อกำลังพูดถึงนินวร์วันนี้แต่เรื่องประกอบมันหลายจุดว่าจะต่อสู้ปัญหาแต่และอย่างที่เกิดขึ้นขณะดนี้เราจําเป็นใช้คุณธรรมสองประการคือคืออะไรจําไม่ได้แล้ว ประเด็นมันวนจนวกปนจงจำไม่ได้ใช่ไหมคือธรณีกับมวยบีมมวยผมธรณีหมายถึงอะไรขันติความอดทนบีมมวยผมหมายถึงปัญญาแก้ปัญหาได้ดังนั้นการที่จะแก้นี้วอนได้ทั้ง5าตัวนี้ใช้คุณธรรมสอประการหนึ่งคุณต้องอดทนทนทาไปยัง น, นก่อน สในขณะที่อดทนคุณต้องมีหาวิธีการว่าจะไ อ, อ, อความขี้เหยียดมันเกิดขึ้นนฉันจะแก้มันอย่างไรคุณต้องคิดหาวิธีการคุณไม่ใช่แช่อยู่กับความขี้เหียดตรงนั้นอันนั้นคุณไม่ได้เกิดปัญญาเวลามันง่วงเกิดขึ้นคุณนั่งง่วงอยู่อย่างนั้นแคุณก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเวลามันขี้มันงุนินขึ้นมาคุณก็ปล่อยงุนินมาอยู่ในใจอย่างนั้นคุณก็ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้บีบมือผมแต่อะไรเกิดขึ้นเข้าไปแก้ไขวิหาวิธีการทิ้ก ผันแก้วิธีจนมันตกไปเป็นปัญหานั้นตกไปนี้เรียกว่าได้ใช้ปัญญาเพราะปัญหานมันเกิดตลอดเพราะชีวิตของเราเนมันเกิดมาด้วยปัญหาเพราะฉะนั so ้นปัญหาต้องเกิดตลอดแต่เราจมอยู่กับปัญหาตลอดชีวิตก็จะเป็นทุกข์ตลอดแต่ถ้าเราแก้ปัญหาตลอดชีวิตก็หายทุกข์ได้ตลอดเพรา ะ, ะนั้นเรามาที่นี่เรามาหาวิธีแก้ความทุกข์อันนี้ความทุกข์นี้ไม่เป็นความทุกข์ที่ต้นเหตุ ในพุทธศาสนาต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะไม่ได้แก้ปลายเหตุปลายเหตุที่ว่าเราเป็นทุกข์เพราะเป็นนี่เป็นทุกข์เพราะมีลูกมีเมียเป็นทุกข์เพราะมีปัญหาเป็นทุกข์เพราะมีคดีเป็นทุกข์เพราะอันนี้เป็นปลายเหตุทั้งนั้นแต่ต้นเหตุมันก็คือตรงเนี้ยคือเราไม่รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเกิดตลอดใช่ไหมปวดขาเป็นปัญหาไหมง่วงเป็นปัญหาไหมเบื่อเป็นปัญหาไหม สงสัยเป็นปัญหาไหมยุงกัดเป็นปัญหาไหมฝนตกเป็นปัญหาทั้งนั้นแต่เราอยู่กับมันจนชินเรานึกไม่ออกไงเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาแต่พระพุทธเจ้าท่านละเอียดมากท่านมองนี้คือเหตุของความทุกข์เราเข้าไปแก้เหตุเล็กๆหน้อยยิ่งแก้ปัญหาปัญญายิ่งไปไงยิ่งเพิ่มยิ่งแก้ปัญหาปัญญายิ่งเกิดมีปัญหานั้นดีแล้วเพราะมันจะได้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเรงเริ่มต้นด้วย ทุกข์คือปัญหาปัญหาเหตุเกิดปัญหาการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาก็คืออริย ส, สัจสีความยากจนเหตุของความยากจนความหายจนวิธีแก้กันยากจนทำยไงอันนี้เขาเรียกเป็นกุญแจในการแก้ปัญหาอย่างสากลเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะจึงเกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าอริย ส, สัจสีที่เราเอามาเรียกภาษามาลาวัทุกสมุูรทยนิโรธมรรคใช่ไหมแต่ในเมื่อมาแอปลายมาประยุกต์แล้วก็คือ ตัวปัญหาทุกอย่างออามาเป็นตัวต้ตั้งต้นเลยความเบื่อเหตุั้งความเบื่อการดับความเบื่อวิธีแก้ความเบื่อความง่วงเหตุของความง่วงวิธีแก้่ความง่วงวิธีการแก้ความง่วงวิธีแก้ความง่วงความปวดเหตุของความปวดการแก้ความปวดวิธีแก้ความปวดเห็นไหมมันสากหตน่ะแต่เรานึกไม่ออกยังไงเราจึงใช้พุทธศาสนาไม่เป็นประเทศไทยเราถึงเป็นอย่างนี้ นับถือพุทธศาสนามาสองพันกว่าปีเนี่ยแต่ยังไม่ไปไหนเลยแล้ยังบูชาลูกบูชาเหรียญของครั้งศักดิ์สิทธิ์มอดมอดูโหน อ, อะไรต่างๆนาน า, น า, นานมันไม่ใช่พุทธศา ส, สนาแต่ทําไมเรานับถือกันได้เป็นวัดเป็นเวรก็เพราะว่าการไม่เข้าใจศาสนาของตัวเองนั่นเองเห็นไหมล้วไปแต่ละวัดอ่ะเขาให้อะไรอ่ะอ่าไม่ได้ให้คําสอนพุทธศา ส, สนาให้รูปให้เหรียญให้น้ำมนให้ได้ผูกแขนให้ อคําจุมคาถาอะไรต่างๆใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้สิ่งนี้ทําไมแล้วก็รับเอาถือว่าเป็นพุทธศาสนามันไม่ใช่แล้วมันเป็นศาสนาอะไรอ่ะอันนั้นนะเรียกศ า, าสนาพราหมณ์ศาสนาพิธีไม่ใช่พุทธศาสนาในประเทศไทยของเรามันเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาพิธีเก้าสิบปอร์ซ็นต์แต่พุทธศาสนาจะถึงห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าประเทศชาติเราถึงไปอย่างนี้ไงมันถึงไปไหนไม่ได้ประเทศ อื่นเขาก้าวไปที่ไหนแล้วของเราอย่างล่าหลังอยู่ะล่าหลังไปกระทั่งเราเขาเมินจะเอายังไงนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเราอย่าไปภูมิใจว่าเราเป็นพุทธศาสนาแต่มีผู้ที่นับถือพุทธศาสนาก็อย่างพวกเราเนี่ยคือมาฟังในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลของชีวิตแล้วแก้ไขปัญหาชีวิตแก้ไขอุปสรรคของชีวิตแล้วไปใช้ชีวิตที่มีเหตุมีผลไม่ใช่ชีวิตตามอารมณ์ แต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตตามอารมณ์ตามความอยากไม่ได้ใช้ชีวิตตามเหตุตามผลใช่ไหมอารมณ์ฉันจะเอาอย่างเงี้อ่าฉันชอบอย่างเนี้เอาอย่างเงี้ยฉันทั้งที่มันไม่ถูกแต่ฉันชอบอะ่ะใช่ไหมอย่างการกินอาหารอ่ะมันอร่อยอะ่ะแต่ความจริงอาหารอาร่อยนะั่คือยาพิษเด้อใช่ไหมแต่ฉันก็กินอ่ะเพราะว่ามันอร่อยอันนี้เรากินตามอารมณ์อาหารบางอย่างจืดสนิทแต่ว่ามันมิติมินสูงมากมีคุณค่าตัวอาหารสูงมากแต่เราก็ไม่ชอบ แต่ความจริงมันถูกใช่ไหมแต่เราก็ไม่ชอบนั้ น, นคนไทยเราคือชอบในสิ่งที่เป็นตามอยากและตามสิ่งที่มันาตามอารมณ์แต่ในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลคือเป็นเรื่องของพุทธเป็นเรื่องของความจริงแต่เราไม่ชอบอันนี้ยังไงที่เรามีปัญหาไม่ว่าระดับบุคคลระดับครอบครัวระดับที่ทํางานระดับตำบลอําเภอประเทศชาติมันก็เริ่มไปจากจุดเล็กๆนี่แหละใช่ไหมขยายกันไปนหมด ดังนั้นเองหลวงพ่อได้ศึกษาเรื่องนี้มาสามสิบกว่าปีเนะี่ยโอ้โห و, ประเทศไทยของเราผิดทางอย่างใหญ่หลวงอย่างนี้เราจะทําไงแต่แรกลวงพ่อคิดไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะไม่เอาละมันปัญหาใหญ่เหลืเกินแต่เราจะไปไหนล่ะเมื่อประเทศไทยไป็พี่น้องเราอยู่ที่เนี่ยเราจะไปไหนล่ะก็ต้องหันกลับมาแก่เพราะนั้นปีหนึ่งหลวงพ่อไปอยู่ที่อเมริกาสักเดือนมาอยู่ที่เมืองไทยสักเดือนช่วยทั้งนั้นครึ่งหนึ่งช่วยทั้งนี้ครึ่งหนึ่งก็วิ่งกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ทั้งสิบกว่าปีแล้ว นั้นนั้นจึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อย่าไปคิดว่าเออฉันมาด้วยความจำใจนะฉันมาด้วยตามหน้าที่นะฉันมาด้วยความอย่าไปคิดอย่างนั้นมานี่คือมาศึกษามหาลายชีวิตที่ใหญ่ที่สุดมาศึกษาใจตัวเองแล้วเราจะได้อา น, นิสงส์ที่เข้าถึงพุทธศาสนาแล้วเราจะหมดทุกหมดปัญหาเข้าสู่ตัวมันเลยแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ย มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนอะไรคำว่าชีวิตอะไลฟ์คำเดียวใช่ไหมและประกอบมันเป็นอันเดียวคือการเป็นอยู่มันก็แตกตัวไปจากชีวิตประกอบด้วยสิ่งสองสิ่งคืออะไรของง่ายๆเดี๋ยวพวกเรายัางนึกไม่ออกเนาะพวกเราไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยอะของง่ายๆ